พระพุทธเจ้าเป็นพระอาราหาันตาคินาศเป็นผู้ตรัสลู้ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาจารของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหลนณโมนีจึงเป็นที่งอมนึ ก, กลำลึกถึงคุณของพระองค์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 พระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวีนนยสัจตศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเพื่อแพ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมาสองพันห้าล้อยยี่สิบหกปีแล้ว พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดอยู่ 45,000 สี45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระประมัติให้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พระธรรมคขันธ์ เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรจุดมุ่งหมายก็คือให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบารมีของตนของตนให้แก่กล้าเพื่อจะลังอับดับ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 สมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเซกขะมานาท่านจดจำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มี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 สอนใครก็สอนปัญจวะคีทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระโซดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระลาหาันตาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิต มีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระสงฆ์มีจริงคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาทคุณพระธรรมไม่มีประมาทคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาทเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกระจองตั้งอกตั้งใจอ่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระอานนท์ให้ภาวนามารณกรรมฐาน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 อธติเมนชางเยื่อในกระดูกภายในหนังหุ้มเนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิโกณที่เต็มโยในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นธรรมกรรมฐานที่ทุกคน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 เจสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา <c oughs> เจสาเร่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้กุงนี่ ไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอสุภกรรมฐานทุกๆคนเหมือนกันแล้วก้อนอสุภกรรมฐานนี้ก็รอเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลที่เราบริโภคอาหารทุกมือทุกวันไม่ล็กขา ก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมฐานไม่ว่าจะเอาผ้าพ่นท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าพ่นท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่เปื้อนเปอะเละเถอะเหม็นสาบเหม็นข่าวมีเหือมีไข่ นั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปปั้นร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งมเต็มไปด้วยปุ๊บโคโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ถ้าหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใดโรคประขันร่างกายของเหล่านี้จะมีกลิ่นส่งฟุ้งออกมาไม่มีอะไรที่เล ว, ว่าสวยสดงดงามตั้งอยู่มั่นคงถาวรไม่มีเลยโรคประคันนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาด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 ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัณหาในใจตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่งตางๆนานาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนยังดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่น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 แล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู้เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทโธพุทโธพุทธะดวงพุทธจริงจริพุทธจริงจริงก่อนได้แจจจตผู้รู้นี้เอง พ, พุทธคุถโธพระพุทธเจ้าก็มีเจตใจเหมือนพวกเร า, พ, าพุทธุถโธของพระอริยสงสาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าก็ตามท่านเมความเพียนความหมั่นความขยัน ในการบริกรรมภาวนาพิจารณาทำกรร ม, มาฐานอยู่เนืองิดติดต่อกันไปท่านระ ง, งับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในสังขารมานกิเลสมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไป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 เป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพพระองค์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใส่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไปท่านนึกอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออก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 คิดอย่างไรเป็นบาปคิดอย่างไรเป็นบุญภาวนาอย่างไรเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็าให้รีบตั้งใจขึ้นมารวมใจให้มันมั่นคงลงไปเรื่องราวใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตของคนอื่นผู้อื่น เจบใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดเนี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปที่นี้มันเย็นสบายลงไปพุทธโธอยู่ที่นี่ธรรมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่ครับพุทธเถเจ้าบาเพ็ญ บารมีท ร, รมากบำเพ็ญที่นี้ที่ดวงจิตดวงใจตอนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสลูนี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนาะนนับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพ็ญบารมี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 สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทางหลายท่านภาวนารรเพียนได้เราก็เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรลงไปยังจิตใจให้มีปัญญาให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรม เรียวว่าสอนใจของเราให้มีพหาปัญญาไม่ให้ น, นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหลจะกจะต้องบำเพ็ญวิริยะความภาคความเทียนความพยายาม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 ท่านว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คขอ้ขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตัดใบว่าวิริเยนะทุกขมขมัดเจติ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 ท่านมีความอดทนขันตีธีรัสลังกาโลขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปากมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั่นเลื่มหลักไม่ได้เพื่อว่าซักจะ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 แล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานหักษานภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปนั่นจะต้องอ า, อาศัยการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ จิตใจไม่สงบงระงับเราจะไม่เลือกไม่เลือกล้มความเพียนมีอธิฐานไว้จะนานเท่าไรก็ช่กเอาให้มันสงบงระงับได้ทุกวันทุกคืนอันความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไวท้ทีหลังรัพย์จะอธิฐานนี้ต้องทำให้ได้ จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญมากคำว่าเมตตามีอยู่สองทันแน่เมตตาตนมุ่งให้ตนมีความสุขกายสบายใจภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผล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 ในเทวโลกในพรมโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่พวัคคิมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจั ก, กรวาลแสนโกดจั ก, กรวาลอันันตาจั ก, กรวาลจนนับไม่ทั่ว มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าไม่เดียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมาตาถนาให้เห็นว่า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 เจตใจของฝูนั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในใ จ, ใจิตใจ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 ท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตาเข้าถึงได้แล้วไม่ตาไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมอารมณ์าำภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบหลงับ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 ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉันดีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควีนัสตุมาเตปวัตตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาซีฤิธสินจยังบุตธาปจายิโน จัตตารโรธรรมมาวะทันติอายุวันโนสุ ข, ขังธาตังเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งใจงให้มันสูงมาทำจิตใจมันต่ำ จิตอันใดที่เมกิเลตลาคะอยู่ในจิตในใจคิดว่าจะสึบหาลาเพสก็ให้ละจริ้งให้หมดเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาละกีเลตตัวสําคัญ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 ใจเราไม่รู้ก็มายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมก้อนธาตุกมามฐานนี่มาอนี้ได้มาแล้วก็ไม่มีสติสมาธิปัญญาอันใดที่จะมาตามโล่ตามละตามแก้ไขก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไปต่อไปอีก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 สอนพระอนนท์ไว้ว่าโดกรอนนท์ในวันหนึ่งอนนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอนนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าตัวเกนฑโยได้นึกถึงตังวันละหลายพันครั้ง พระองค์ได้นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งส่วนพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสสวนไปว่าดูก่อนอนอนนวันหนึ่งหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ว่าอย่างนั้น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 นึกได้ทั้งเด็กทั้งนมทั้งแก่ทั้งชราทั้งคารยศาสต์ละปันปัิตไม่ต้องไปแยกชั้นวันนะนึกได้เมื่อไรก็ให้นึกแม้จะนั่งทายอุจจาระปัสสาวะอยู่ท่านึกได้เวลานั้นก็รีบนึกว่าเราจะต้องตายแน่ๆที่พนมาจาก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 แน่ให้อานนท์ดูเราตถาคตเลยนะเราตถาคตนี้ตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราตถาคตไม่ได้นิ่งนอนใจลมเข้าไปเมื่อใดเราก็นึกได้วันนี้ความตายถ้าออกมาไม่ได้ก็ตาย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 ก็นั่งขัดสมาธิเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาแม้กิเลสราคะโทษะโมหะมันดับแล้วตายไปแล้วก็ตามแต่ระเบียดเรานี่เราตถาคตยังรักษาไว้เพื่อสอน สาวกสาวิกานักบวชนักบ้านในโลกในมนุษย์โลกเทวโลกพรห ม, มโลกเือว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเสด็จไปที่ไหนก็ทาง ม, มนุษย์และเทวดานั้นเดว่าได้เห็นได้เห็นนั่งสมาธิภาวนา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 สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามมันก็ต้องการอยากได้ถ้าสิ่งใดมันขีล่ายกีเละไม่ชอบอย่างเห็นคนถ้าเห็นคนผิวพรรณวันณนะดีรูปร่างดีสะสวยตามสมมุติโลกกิเลสอันนี้มันก็ชอบ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 เวลาที่โทษกุศถังมาใกล้ไม่อยากพูดด้วยไม่ไถ่าถามด้วยเขาจะมาขอสตางก็ไม่ค่อยจะให้เพราะว่าให้ก็ให้โดยความจ้างให้มันไปให้มันพ่นหน้าพ่นตาเสียเพราะข้าพเจ้าไม่ชอบคนที่โทษกุศถังเหน็นสาบเหน็นขาวดู มือก็สั้นเข่าเท่าก็าสั้นเข้านิ้วเข่าก็าไม่น่าดูละอันนี้คือว่าจิตใจมนุษย์คนเราธรรมดาปุถุปุถุยโนโปุถุชนไม่ว่าใครมันเป็นอย่างนี้ผู้ภาวนาทั้งหลายจงพากันตังอบตั้งใจ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 เราเดินไปมาเราอยากเข้าใจว่าเราหนีจากความตายพ้นเดินความตายมันก็เดินนะยืนมันก็ยืนนะความตายเรียกว่ามันเพียดอยู่เหมือนเงาเทียมตนคนเราเมื่อแดดส่องมาจะเห็นเงาตัวเองว่ามันมีเงาเห็นโลกความตายมันก็แฝงอยู่ในร่างกายของคนเราทุกๆคน ใครจะเศร้าโศกเสียใจดีอกดีใจเพิดเพลินอย่างไรก็ตามแต่ความตายมันมาเดชเพิดเพลินไปกับบุคคลมันจ้องอยู่ที่จะเอาตายให้ทุกเวลาเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกให้พากันเรียกบอกกรรมาฐานให้ใจของตัวเอง ลกขึ้นภาวนานึกถึงความตายนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันเวลาในใจนั้นแล้วตั้งใจอยู่ให้อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์สัญญาต่างๆได้ใจเสียใจเป็นเรื่องของกิเลส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 ดังแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาล ะ, ะนีสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสันตุมาเตภวัตวันตระโยสุกิจิกายุโกภวะอะทิว า, านาสีริสนิจยังวุทธาปัจจายโนจัตตารโรมมาวันติ อายุวันโนโฉขังธาลัง